ความสามัคคีกันได้ส้องายการยืโดนซึ่งกันหมายความว่านอกจากให้ที่เราเรียกว่าฐานคือการให้และก็เป็นการให้ทางความรบกับานนะเคารบุคคลทีรับเป็นบรรดาทป็นสุดลยครนใหญ่จรงในโลกคนทด่นมากเจะต้องมีความรักในบคคลเหความสามัคคีที่เกิดขึ้นไอาศัยการยืโดนทางหปสนโลกจะมีความเร่าร้อนในเวลานี้ ว่าเรื่องขถิงเทศใหญ่อยากจะได้ประเทนี้รประทศใหญ่ใหญจะได้ประเทศใหญ่เพือเป็นประเทศใหญ่ประเทยวจเยวใครได้หร้อไม่ใหญ่ได้จริงๆก็ไม่ใช่อะไรใหญ่ไขัดเิงนกันจริงๆล้วาไม่อยากจะได้ทำไมล่ะเขาได้กลายขัดถิงที่มีอยู่ในประเทศนันครามของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีเัิงเส่วราเงินรายน้ารายชย่ายจำเงินเพถ้ามีหน้าราก็จะไม่มีเงินา ไม่ได้ขอจะให้ไม่ได้ขอเงิ่ได้ขอเงนปะกอบชีวิตก็ไม่มีใครอากได้ใค่เขาจะตั้งให้เราเป็นเจ้าโลกในการจอ้จองและเจ้าโลกอย่างเราเราไม่มีใค่อยากถึงถ้าคนเน่งครอยากเขาจะงเนี่ยคนไี่อยากจะเป็นใหญ่ในชีวิตก็เป็นฐานะเป็นใหญ่กันไม่คือต้องการบรัพย์สินคำว่าต้งการอำาจต้ารควาเป็นใหญ่ในไทยเป็ความเป็นใหญ่จริงๆอยู่ใครั ส, ส, สินทั้งหมดคนที่โคการเป็นใหญ่ต่างๆก็เสมออำนาไ สไม่เรเหมาะกับนายประธานาธิบดีไทยเพราะว่าท่านประานาธิบดีท่านนั้นไม่เือเกทยเขาไม่าทยเแต่ท่านนาที่ประธานาธิบดีไทยก็เหมือนขยันตัวเพราะแค่ายใหญ่นเลียวแต่อะคนถ้าอย่างไรท่านกรจะลงความว่าสิ่ที่เราเกิดความสามัคคีด้วยความฉันทุนจะสลายต่อนยสิ้นสุในวันก่อนธารมาได้มาพบกับนารท่านผู้ตรวรเพราถ้าต้องการความสามัคคีให้ทำลายความไม่สามัคคีที่มไป เมื่อคือทลายความเห็นแก่ตัวจริใๆมันมีการเมตตาการเมตตาวันนี้จะขอแนะอาคาสอนของพระฤาษสธมมาทุกเจ้าไปฟังเลยเอากันมาเลยสกนันน้อยจะมีเห็นได้ธารมาถ้าไม่ขอยืนยันแต่ว่าถ้าจะคนปฏิบักได้ตาอสาช้เมตชีแน่ๆเม่อความใช้เมตีจริงๆจะมีจี่มันได้ต้องใช้ผู้ใหญ่ทำก่อนไ่ใช่ให้คนน้อยทากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้อทกับผูน้อยก่อนใหญ่ขนาดไหนน้อยขนาดไหนก็ไม่สำคั เป็นอบ้านแม่บ้านก็ต้อําเพื่อลูก้าก่อนึีความยืเยืมีความสงเคราะห์มีความไม่าดจมีอย่างนี้ความรัาเกิดขึ้นความสามัคคีก็มีให้ความรัาเกิดขึ้นไรคการสามัคคีเนความร้อมคนที่เขารักเรากคนพร้อมอยุดทำทุใหญ่างตามคขอร้องอะเรด้วยการคำสอนที่เรจะเป็นไปมันไม่ิดมันไม่ผิดพลาดไม่ิดปรเพณีอม่ขางคำนั่งอย่างนี้ความสามัคคีเสร็จอันนี้หมายถกงอะที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไ จะไม่ได้ใจโดยสักแ่จะให้เกิดความรักได้ก็ตออาศัยการพูดดีคว่าพดดีไม่หมายความพูดใดยคนชอบคามจริงรการพูดจะบรรดาจะก็ต้องใจอาตมาก็เกิดมาใไรหลังไม่ใครสมัยราชการที่4สมัยนร้นเกิดมาทำไม่ทนสมัยนั้นจะทำในความเป็นเด็กก็จะไม่ได้ว่าใครจะมัยไ่นใครบ้างเป็นคนัดดีแต่ว่าเราเล่นกันว่าจ้ใช้เรื่องของขดดีไม่ขดดี ขณะทีถดูเพลงเขาท่านยังนำมาใช้ในเสไ้เวลาปรจจุบันท่นที่ว่าคดเป็นนานคืว่านักคดเป็นนานแล้วท่าก็จะกส่าังการพูดดีก่อนท่าการพูดดี่ขาท่านเป็นใจนรักษาถมาจะมาก็เกิดในถงแต่ไข้สมองถังเด็ดเนไมาจะมาใ้การเปลี่ยนแปลงการปกครจะมาพบท่านท่นหนึงเข้าทุกแลจะมาเวลาัล่กยามมาเร็วเดินไปพอดีเคนให้ลังกันอยู่ เขาพูดแลก็โความเพลินแต่กอดก็ได้เหตุผลเป็นคนพูดดีๆหน้าละถ้าไม่จิตใจคงเคลิ้มในการเส้นดีเ็นเท่ากับผมว่าการเปี่ยแการปกครองครานี้ดีน่ทให้ราชาที่กระทายได้ไม่ดีเราไม่มีจิหน้าในการบริหารเเวลานี้เปียนแปเป็นประชาธิปไตยที่ประชาคมเป็นให่เป็นญการปกครองเป็นญในการบริหารประเทศท่านพูดใียงน็ดีพูดก็เขาาจายนหนึ่งนั่นแล้วการัคนอิจดี ท่านงนั่งเชลาวาติโนันดาวาสัสดิ์สมัยนั้นทาพูดีในพูดของท่านมีฉัท่านเป็คนเห็นีเห็นต่อทอามายเอง็ีเห็นกัานเรื่องการพูดดีเ่อปรยนแลอายพูดสมัยังหลังนส่งแรงท่ากอแล้วไม่จุดหนึ่งสมัยจอมพลแจกที่บสถ์เชียงคานในสมัยสมัยหลวรที่บสถ์เกียงคานเป็นงานแล้วก็ทํา่อนเวลาในคนพูดดีมีเยอะ แต่เมื่คนปุกใจคนรักชาติไปดีมากมีการข้องใจกงนดีถ้าภายหลังก็มีคนเกิใจว่าท่านผู้ทำด้วยการรับทรัพย์กรณีแตมาไม่ไม่ตอาบรรทัดแล้วไม่บรรทัดก็ไม่สะอาดจะมาคาดใจคนได้มีหลายคนดีใจที่จาได้คนหนุ่มเช่นวิจิตมาตาคนรู้จิตมาตาใจนี่เป็นโทษที่หลายแข่งกับชอบและก็มีหลายคนมีการพทดดีในเวลานั้งคนรัก่าติไนดีมากแม้เด็ดใจของท่านเดียกมาก่ทํา้เกิดคนรักช ีมาเชื่อพูดถึงย่างนียะการพดแล้วก็ต่มาสมัยนึ่คอสมัยท่าจอมพเสฤษดิ์เนครคนอื่นในสมัยนั้นจะพูดถึงยังไงกอแต่ว่าตัวท่จอมสฤิเองวลาแถลงข่าวก็จะใจเยงก็จะยกุกเครื่อจะทามาถึงก็จเชียดังหมดทุกคนใส่ใจฟังงเี้บถึฟังแล้วจะเชียรเสียแล้วก็ปตการกรดดีในประโยค เวลาท่านพดดีด้วยและท่านทดีด้วยอาตมาก็ต้องรับอาถของใครไม่ใช่าจะยังมีใครสร้างอุนทควกมันิถ้าเรเอเกิดจงก่เสก็จะขอสถานเสร็จจะเพ่าวิเชตมาเลยนะก็ะมา้พูดกางความจริงคื่านเูดดีและท่านก็ทำดีขอพดเฉยันไม่รับการไปเวยๆนัก็เร่องอะนในสมัยที่จงกนสร็จเลยครับรัฟังคำแลงของท่านในตอนหนึ่งท่านบอกว่า ทขามาบริหารประเทศเป็นเขเนเขาแข่งไม่เวลาเ้่งกระทรงกงจนี่นาา้อานาทเาาเลยมันเป็นอะไรอย่างี้นะถ้าชตไ่ด้ทยแาเข้ามาบริหารประเทศที่จะทำรัฐมาเขยหันในการบริหารประเทศได้ท้านนทกทั้งนี้ทั้ทำอย่างชาติเ็ละดีสุดปลายปีครที่นจะบอกว่าที่นี่ไม่ขอ่ไทยจะต้องกู้จากประเทศต่างประเทศเข้ามหรอ มันบอกจะเป็นวตีนี่ส้างรนช่างหนันนาหรากลังความสามารถที่จะคนได้อรใดยปี่ยนแปลงกลเงินชำระหนึ่งธนาคารห้าอน้อยล้าบาได้และเหลือเงินครอีกหรอานาตัววาว่าเงินไม่มีต้องคำให้เงินมีแค่เงินเหลือใช้คําล่างเศแลวต่อมาทุกปีเขก็ทำไม่หยด้นเลยไปเร่งเร็วว่าฆ่าตัวเงินเหือใช้ไว้สอปีละคําล่างเสร็จ่ที่เป็นอย่างนี้จามาช่วา อาศพนพูดดีพูดดีพูดเชียวแลกันเชียวเวลานี่จะมาเยือกันได้เเจ้าว่ต้องการให้ทุกคนรบพรว่าตการให้ทกคนประหยัดเขาไ่ประหยัดเขาพนมาด้ื่อใช้น้อยๆขาดได้อกใเพียวลนน้อยไม่ใช่ใหุ้้เคยเนไปแต่้าพูดเชยวคนรับฟัก็รับฟัเชียแต่คนปริัการเชีไม่ดียวท่านี้เราะอะรเพว่าเวลานั่นใจนัน เองทองวนกันไม่ท่องตลายข้อสคัญาแต่ใจฉก็มีเวามสมบูราดสีอ่อนก็ไม่หายถาดูว่าจเกิ้ลถืจะไม่คีดเนน้อยไม่มีใจเร้เปลนขแต่ผลอะไรได้ที่ปาชนใจึมีความไม่ขาดสมบูรเขาเปลยเสียไป้จะมาตอนไหนอาจที่จะเปนใจกันบ้างคือตอนจากหลักตอนนี้อามาได้ทันคุณก็ท่าคนโถ่ะไจะได้ใจกัว ท่านคนโพธิเทาทัยจะลงวัดสีบขั้นปโคดเจ้าท่านจอมโภชนใช่หรื่โคดทิศเหนือใปฏิวัติันมาเจ้าเสดที่อริยสายนันบกว่าเจาท่นจอมนี่ก็ดไม่ขติดตัวสื็ขั้นี่ใสร้างน้าใส่ต้องทำให้บรรดาประชาชนดีจริงดีดีดีถ้าจมีขต่อมาท่านบอกว่าเ้าท่านจะสืบขั้นว่าคนไทยด้วยความดีไม่ใช่ทคนไทยเจ้าจะมีลาเล้ก็คือเลย เขาไปทำมาให้ก the the the the ิเนอกบ่านจนเครราชก็คุณพี่ก็มืเปลาไม่กล้าทำมาให้ถ้ามีคนเดนมไม่บ้านหักๆตัวเจนเครรก็เนอนอกบ้านก็ตัวเจนก็พี่ใินนอกบ้านเอาไว้ม่บ้านก็ตัวเจก็พี่เราต้อจัดพนักทางเพราว่าการจัดพามันต้องมาจะต่อพกตัวเจนเราต้องท้องเดือดตอล้าทำะทําจริงๆการจัดก็ง้ัพจะมีการจัดติดต่กับอาไเลยค่ะ ก็จะพูดว่าเวลาเลนคนเดียดีมีสมากนอนตาหลับทํามให้คุณส่นเดียวเงินจะเาขยราคาก็ขอกระตากันมีค่ากระตากีพนันแคาทุกคนเลนตาอาศาตดีมากมีความเีเรนความเฉลยใความสองใชยในใจจะีดาพูดดีก็โดคนสืคือพูดและคำพูดและท่านไมลุกชายาขึ้นมาเขา่จะไปจอใครต่ากันมาเกดที่ไหนไม็เคยม เลนเนที่อื่นไม่เป็นไรจะเลื่อนเนมาจากตังอะไรไปเม่อข้าก็งงว่ทำไมโสงสิ่งปรากฏเนการข้าที่ยขาดดุลน้ำมากมากในขั้นวนน้อยสักทุกทีที่านใหญ่มาไล่ตางว่ามันก็จะเป็นทาโรเจริญชายารุัฒเพราะว่าในที่สุดประเทศไทยเราไม่ขาดเป็นการข้าเลยนีก็แสดงว่าประเทศไทยเราจรวยแต่เราไม่ขาดเป็นการข้ามามันวยเก็เลือดไทเยอะสักทุกมงค้างซึ่งละพันล้นเจ็ดพันล้านเศ็กีที่ใช้ตังกี บริการพูดดีในผู้ใดศาสนาก็พูดดีกำลังเลยคืก็แแต่คนพูดดีก so no er, ็พูดดีส si ีกาเช่นาพูดตรตามคามจรินนี้พูดีความจริงนี่ใครๆก็ตกใจเวลาพูดตรงอะไรก็เกเพี่ยนถ้าเราพูดสื่่าเราพูดตามควาริเสเสียยกเที่ราขยคก็ตกใจความเส่่เวการนี้ส พูดวาจาไม่อยากใครไม่ได้สร้างคามสะเท็นใจใั้บคนลผู้รับฟังคำว่าไม่อยากใคยในบรรดางาติโยมก็เลยพักเพราะว่หมายความว่าต้องพูดจากขาวขาโดย้รับสมอไการพูดกับเพื่ออาจจะให้มือว่าพาวงัวไดจะให้เขาชอบใจเมื่อพูดตามความเหมาะสมให้บุคคลเขาต้องการรับฟังเม่พูดเมื่อพูดไม่สะเท็นนใจเป็นที่ชอบใจให้บุคคลรับฟังก็เป็นกระจายสียงการบอกส่งพูดสองรัก ต่อไปจะพูดถึงสามสิามโดยเราจะพูดกับใครหลยพยายามตัดินใจไว้เราจะ้ไม่ทาลายความสามสิสี่กอนเคอไม่ดึนคาบวกคนอื่นให้สป่นฟไม่ดึนชาเพื่อในบคคอื่นฟังไม่แจ้งความแต่ร่างเศิดกัรพยายามพูดให้เขามีความเห็น อ, อกเห้นใจมีความรักใคร่ทางการเป็นื่อนถ้าโดเอ่ยเชืา่าคนอื่นไว้ถ้าั้เข้ามาสามให้เราพูดทา ง, งาวาความเป็เื่อนคนสกคจะแสวงามากขึ้ เราก็รเล่งความเป็นจริงข้อ <werd> ต <rebbe> <men> ่อนิดหนึ่ห้่อเปการรักษาปะให้คนนั้เขามาถามว่าเพื่อเราบาอะไรว่าเขาบบไหนหนุนไหมถ้าเรใจความเป็นจริงเขาจะทะเลาะกันใหญ่ถ้าเราพดง่ายเลี่ยงดหนึก็าเราไปเร่องะไร้ล้านเขามาสูดกับผมก็เป็นงเ้าพูธรรมดาธรรมดาถัดมเรูดถึงก็แล้ว่าทนดีหอเล่าอะไรเพียงแคนี้คนรับฟังก็สิตใจจะต้องพยายามไปทะเลาะกับเพื่อนเพ่นก็มีกระตูนน้อยทุกครสองคนมีความจิใจท่นไม่ได้กบบดี มีที่พูดวาจาที่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยนี่หมายถึงการเอาควารักไปไปจะเฉื่อยใจให้ประโยชน์อะไรจะไม่พูดวาจาเลยไม่พูดแล้วกะพูดถ้ามันเป็นประโยชน์มาคุณแม่จะไม่จึงงนเป็นทองก็พอะไรเปนรับการชื่นใจพูดอะรนรับการสบาใจความวาจาท่าสีใจนี้บรรดาท่านทั้งหลายครับท่านญาติโยมรับการสงสารถ้าเราใช่วาจาสีใที่เหมาะสมกันเลยละเหมาะสมกันหม ความสามัคคีในหมูะมันก็เกิดความสามัคคีคือความรักใคระหว่างคนผู้รับฟังก็เกิดในเมื่อบุคคลผู้รับฟังเขาใจกิความรักใคร่กกิดในเความรักใคเกิดความพร้อมเพรียงมันก็เรความว่าท่าจัจรกงหรืนอกจากทางารจะคาะกันให้เกิดกลุ่มเปนะันแต่อันนี้ก็ไม่ใช่วาจาได้ความจริงวาจะีสนเรของใหมโกหกานยันึกว่าคนอื่นเขาจับไ เป็ในในโลกปรจจุบันนี้มันหน้าแข็งธรรดายากกไปสัมาวลานี้เนระาควจะยกเ่องโลกที่เป็นสมัยที่เจ็เป็นโลกนี้เป็นโลกโหดรรานี้อะทนี้เขาว่าเราจะได้ยู่งไปฟั ง, ง, งในสมัยเท่านใดประเทศและนอกประเทศเื่องอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเขาจะบอกก็ดีเรื่ที่ขดัดพึเ ข, งงขาจะบอกก็ไม่กไดเขาจะมีําไรเขาบอกว่าขัดพึ่รื่องประเทศสมัยท่า การเทศเป็นไรก็เจริใจกันอย่าประเทศใหญ่ๆประเทศมหาใหญ่คือเรื่องอาภิรักษ์น่ะคือเรื่องเริจาจกันเรื่องการรัเอางการเจรใจกันเร่องการรเเขาจนใจกันแต่ก่อนมาเธอเวลานี้ลัทมาเเลยเกิดขึ้นหนาแล้วเขายังเจริญกันเลยแต่ถ้าประเทศจะต้องการจะหนึ่งจะรับหนึ่งจะรหนในสมัยหลังแต่สงครามโกก็ยัง ถ้าหลดได้หใหญ่ก็ได้กระปากะบอกต้องพาตวกาไม่เสียขนดตาคนตก็ยอมรับว่จะปฏิบัติการเลยแต่ว่าพอเจช่วงคลานโลกคอจอ้ปนที่เามายิงกันมันโตกว่าที่จำลองเยลเวลานี้เขาก็โกหมาเวลานี้เขาก็โกหกันจะ่ดน้อยจะลดเหนียวไม่ไดี๋ยวลดนี้รเพื่อนลด่เต็มไอตก้าโกกันแบบนี้ความสามนีมันก็เลย ไมมาในบ้านเลยเขาว ข, ขาก็เล่าลยกันว่าการขับจะคิดหมดคิดไม่ว่าที่ไหนทนนาแล้ไม่ขบับจนหมดขณะโต้แย้งกันว่าขับคนแล้วจะตั้งกันได้ยังไงบางทีเจ้าของเริงเข า, ามาแล้วได้กำไรตกอดม่มหนึ่งบอกว่าขาบัาขาบ้นไม่าขาับคนนนขับขัดคนไม่าขัดไร้การขับคนแค่คนไม่ขับคนครวยคนบป็นยัง อย่างนี้ก็ถว่าเป็นโลกโกหกเหมือก็โกแต่อย่างนี้ไม่ต้องรำคาญสบายใจกับความจริงความรักม่จริงก็ถือเป็นไรคนที่โกหกโกหกเค้าจะเกิดคนโกหกขบันดาญาจอมพิษไว้ก่านทั้งโลกนี้ยังเป็นอย่างนี้ความรักไม่จริงก็ถือเป็นไ้ใช้ว่าท่านยังร้ายตัวการความรักไม่จริก็นำมาเขาีเขาเอาเขาจะไปจนทีสี่เขาจะจากไปใช้จับไว้ก็ค่อยใช้อยากใช้ให้มากเท่าไหร่ใช้จะบุกไปกลุ่มเล็ก อันดับแรกให้ในบ้านเราก่อนแล้วใช้กับเพื่อนเทอร์เน็ตก่อนในรายคนรนบ้านําอะไรพูดตามความเป็นความเป็นจริงเวลาพูดแต่บรรดาต้องไปก่อนต้องเรีนเวลาไม่ั้ตงรียนเวลาที่ความเหมาะสมความจริงถ้าใช่ความจริงถ้าใช้ในเวลาที่เหมาะสมก็่ใจกับตัเองที่คาีทำลกต่างๆกันแบคนพูดจงกันแต่เขาไม่พิงกับใ พุทธติสมุบอกว่าพุทธะราติว่าอาตาว่าวาจาจาจงเป็นวาจาใบใคนูเนี่ยเป็่ใเวลาที่ไหนการใช้คำพดต้องเรือกันเวลาต้เรียกบุคคลตเรื่องสถานถ้าจะใช่วาจาจริงกต้องร้คนแไม่คนยังไม่คนจะใช่วาจาจริงก็ยังไม่กอ้าเร่องามาการวาจาจรไปต่อมาที่เป็นที่รักบคนลรักาแต่ที่เวลาหรือใบสใช่ ในการอ่นองให้วาจาไม่อยากใครคือวาจาที่เป็นชอบเนบรกแต่ตอนตก่คว่าเพื่อนชอบเนคนรับงชบไม่จาเป็นก็องจะเข้าใจเขาาก็รับสมถ้าเพื่อนพอบแบบไหนล้าพูดแบบนั้นเราจะเป็นที่ระบบุคคลที่ับงใการอ่านของอยากเป็นใครใครให้เป็นยดีกอยากเป้นใครบุคคลหนึ่ให้เป็นฟแล้วอยากเป็ใครเพื่อนใครคน่งฟังารนีพาไม่มีเจรนาหวังดีการมีพามีเจรนาไรอย่างเดียว คือว่าเป็นการพูดโดรงรือความพูดแต่ส่วนที่มันเป็นประโยชน์ส่วนใดที่เขาจะรักดอย่างนั้นเเป็นการเรียว่าการดที่ได้ประโยชน์เราไม่ผกเวลาพูดเล่นเนุนเล่นคไม่ได้ทักอย่างแขล่กเขาแค่สกแต่เวลาสนุกก็ต้องสนุกตามความเหมาะสมที่เรสนุกในใแล้วถ้าเป็นใครจะบุคคลคูรักสนุกก็อันตรายไมตะวัรดายากงาองมัรวเรื่องความสามารี่เราจะมาได้พูดและเความสุนว่าการพูดให้เป้และพูได้ คนมันจได้เลียนดก็ทำไมก็มบรอานี้พ่อะไรก็ว่าท่านที่เคยมาโค่ระถางนี้ก็จะยกวาดี่านีเคยไปคว้ารถาให้คนเป็นแสนแสก็ดีท่านคนนั้นรุ่นแรกจะมีความรู้มีความสามารถดีกาทมาทั้งหมดไม่ไกลกว่ามีท่านใดมีความรู้น้อยไ้กว่กมาแตกคนเดียวท่านพูดกันมามากคำเข้าไม่สามัคคียังไม่กลว่าเปลีนใดาจะไกลก็สามัคคียังมีมากลานี้คนจะกระจาเป็นกะจุกกระมากกว่าคนวากแน ก็จมาพูดอย่างนี้จะได้ประโาชน์นกันได้ก็ตปกอบที่วาดวลาทไมตัรแต่ว่าเวลาหมดแล้ก็ขอหาดขอขอความสมบูรณ์ที่พระคะมงคลสมบูรณ์มสมบูรจงมีแห่งกัดาทัางพระเดชพระุเป็นรับ